ห้าต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจสํารวมจิตใจของตนเข้าไว้ภายในอย่าให้ใจมันคิดส่งออกไปภายนอกการภาวนาก็คือการฝึกจิตไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นจิตนี้มันท่องเที่ยวมาในสงสาร นานแสนนานมันไม่ได้ค่อยได้ฝึกตนเท่าไรนักเกิดมาแต่ละชาติแต่ละพบบางชาติก็อาจจะได้ฝึกตนบ้างมันจึงได้เป็นอุปนิสัยติด ต, ตามมาเกิดมาในชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วจึงเกิดความสนใจ ความเลื่อมใสยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีนิสัยปจัจจัยติธรรมาแต่ก่อนคงไม่มีแก่ใจที่จะมาปฏิบัติทำให้สูงขึ้นไปโดยลำดับได้ดังที่เราจะเห็นได้คนส่วนมากที่ไม่ค่อยสนใจกัน ในคำสองวุตเจ้าไม่ยินดีในการปฏิบัติตามมีอยู่มากมายถึงปฏิบัติตามได้ก็มีเพียงเล็กน้อยส่วนมากขอยินดีในแค่การกราบการไหว้การสักการ บ, บูชาโดยดอกไม้โทุเพียนยินดีในการบริจาคทาน อย่างนี้เป็นส่วนมากดังนั้นแหละจึงมีคนสนใจในการรักษาศีล น, นั่งสมาธิภาวนาในมีปริมาณน้อยอันพวกเราซึ่งเป็นผู้ผมีศรัทธาแรงกล้าอย่างนี้แล้วก็ให้รักษาศรัทธาอันนี้ไว้ ให้ได้อย่าให้ศรัทธานี้มันเสื่อมเพราะว่าทำมาในเป็นส่วนโลคีนี่ถ้าไม่รักษาแล้วมันเสื่อมได้ไม่เหมือนทำอันเป็นโลกุตระอันนั้นเมื่อทำอันเป็นโลกุตระบางเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันไม่มีเสื่อม มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันจริงมันรู้จริงเมื่อมันรู้จริงแล้วมันก็ไม่เจริญขึ้นแต่ก็ไม่เสื่อมลงแต่ถ้ารู้จริงถึงขั้นสุดท้ายจริงๆนะแต่ถ้ารู้จริงโดยเอกเทศคือรู้บางสิ่งบางอย่างในอริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นเช่นนี้ มาคุณธรรมของพิงคนันี่ก็จะดนจิตใจของท่านุ้ั้นให้ขยันหมั่นเพียรในข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุทำขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับเพราะว่าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลเบื้องต้นนี้ก็ยังพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดไปไม่ได้คือยังต้องเกิดอีกเกดชาติ หรือสามชาติอย่างนี้ท่านก็พิจารณาเห็นความเกิดําเป็นทุก์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านย่อมไม่ประมาทในเรื่องนี้ยอมพิจารณาเห็นอยู่นั่นผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลก็จะต้องเจริญตาม พระอริยบุคคลนั่นแหละไม่เช่นนั้นก็จะเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ขอให้เข้าใจทำอันเดียวกันนี่แหละเมื่อผู้ใดไม่ประมาทเจริญให้ยิ่งขึ้นไปเข้าขั้นใดแล้วก็บรรลุมรคนในขั้นนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำคนละอย่างกันไม่ใช่นะ ทาอันเดียวนั่นแหละผู้หนึ่งเอาไปทำละกิเลสออกจากจิตใจของตนให้หมดจดไปแล้วทานั้นก็ไม่สูญหายไปไหนก็ยังอยู่ในความทรงจำของคนนี่แหละผู้ใดเมื่อรู้ทนว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนี้นะก็รีบเจริญธรรมนั้นเนืองๆ เ, เ, เข้าไป เช่นนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นอารมณ์เสมอๆ เ, เช่นนี้มันก็ทำให้จิตใจสังเวชสลดลงไปว่าเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายถึงดวงจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ล้วนแต่ของไม่เที่ยงทางนั้น เหตุนั้นมันถึงกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อยู่บ่อยๆจิตนี่ก็พลอยวันไหวไปตามความไม่เที่ยงของร่างกายนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้เมื่อคำว่าเมื่อจิตนี่มันวันไหวไปมาพุ่งสั้นราคาญแล้วก็มันก็ เป็นทุกข์ดือดร้อนน ะ, ะนั่นเหละลักษณะแห่งความทุกข์ของจิตใจนะ่ะให้รู้ไว้ถ้าจิตสงบนิ่งอยู่และพร้อมด้วยปัญญายาณรู้แจ้งสังขารตามเป็นจริงอยู่เช่นนี้เราสังขารร่างกายในมันจะแปรปวนกระทบกระทั่งจิตนี้อย่างไรจิตนี้ก็ไม่วนไหว จิตุนี้ก็อดได้ทนได้เพราะมันเห็นแจ้งว่าร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้มันเป็นเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันนี่มันเห็นแจ้งอันนี้มันถึงไม่หวนไหวไปตามนั่นแหละอันจิตที่วันไหวก็เพราะไม่รู้แจ้งอย่างว่านั้นเนี่ย เอที่ไม่รู้แจ้งก็เพราะไม่มันพิจารณาไม่ทำใจให้สงบปล่อยให้ใจเรื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆในภายนอกบ้างภายในบ้างภายในก็ได้แก่จิตวันไววกับเวทนาทุกขเวทนาต่างๆนี้แหละเราต้องระวังไว้ต้องรู้ไว้อธิษฐานในใจไว้เสมอว่า เมื่อร่างกายนี่มันวิบัติแ ป, ปรปวนโรคภัยเบียเวียนเราจักไม่หวันไหวไปตามร่างกายนี้ถ้าไม่อธิษฐานใจว่าอย่างนั้นเน่มันหวันไหวไปตามแหละเพราะว่าจิตใจยังไม่บรรลุธรรมของจริงไงเป็นอย่างนั้นต้องช่วยพยุงตัวเองไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นะเมื่อได้อธิษฐานว่าอย่างว่านั่นแล้ว เวจนถึงเวลาทุกภัยมากระทบ ก, กระทั่งเขามันก็รู้ตัวได้ก็ไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวของจิตใจต่อสังขารไม่เที่ยงไม่ยังยืนต่างๆนี่น่ท่านเรียกว่าจิตใจไม่มีทุกอันจะให้ใจนี่ ไม่รู้สึกทุกข์เสียเลยสักหน่อยนะไม่ได้แม้แต่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วถ้ายังอาศัยขันห้าในอยู่ตราบใดก็จะต้องได้สัมผัสกับความสุขความทุกข์อย่างนี้แหละเป็นเสียแต่ท่านที่เข้าในโลดสมาบัติอันนั้นท่านไม่ได้สัมผัสกับความสุขความทุกข์อะไรเลยเพราะว่าจิตสเสวยนิพพาน ทั้งเป็นอยู่แล้วสเสมอในพานแต่ยังไม่ทันดับขันดังนั้นท่านจึงไม่ทุกข์ไม่ร้อนจึงไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆนี่ถ้าท่านถอนออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้ว<ๆ>ก็ได้มาสัมผัสกับความสุขความทุกข์อย่างนี้ธรรมดาเงี้ยแต่ว่า จิตที่ไม่ยึดถืออะไรมีแต่จติตรวงเดียวมีญาณความรู้อยู่รอบตัวแล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายสังขาร น, นี่จิตท่านก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญไปวิตกพิจารว่าเมื่อไหรน่น้อโลกภัยอันนี้จึงจะหายหรือจะตายหนอ พระอริยบุคคลท่านไม่วิตกแล้วท่านพิจนากำหนดรู้อยู่ว่าสังขาร น, นามรูปนี่มันแปรปวนไปหาความแตกดับหรือว่าธาตุสี่ขันห้านี่มันกาลังแปรปวนจะแตกจะดับอยู่ถ้าไม่ได้ถือว่าเราจะเป็ดเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้วิตกอย่างนั้นเลย เหตุดังนั้นท่านจึงไม่ได้วันไหวต่อธาตุตีขันธ์ห้าที่มันแปลปรนไปเราผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไร ก, ก็ต้องพิจารณาธรรมเหล่านี้ตามพระอริยบุคคลทั้งหลายไปไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้ว บุคคลไม่อดทนไม่อดกัน้นไม่รู้เท่าตาเป็นจริงจิตนี่ก็เป็นทุกข์อยู่วันยั่งคำ้ำเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อเราผู้ยังไม่พ้นจากทุกข์ก็ขอให้เอาธรรมของพระอริยเจ้าเหล่านี้มาเจริญมาพิจารณาอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรมธรมดาธรรมดาคิดเท่านั้นแล้วไม่เพ่งให้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็ต้านทานแต่ความทุกข์ไม่ได้หอมขันห่านีมันวิบัติมาจิตก็วันไว้ไปตามเลยอถ้าพิจารณาเห็นกฎธรรมดาอย่างนั้นแล้วก็เราต้องปรงต้องวางลงสิ ถ้าเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปวุ่นวายกับมันทำไมอย่างนี้ถ้าทาใจได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละทานานเข้านา น, านเข้าจิตใจมันก็เข้มแข็งเข้าไปมันก็สามารถเกิดปัญญายานรู้เท่าทั้งทุกข์รู้เท่าทั้งเหตุให้เกิดทุกข์ เหตุถ้าเกิดทุกข์ก็ความอยากคือตัณหามันเกิดขึ้นในจิตใจอยากให้ร่างกายนี้หายโรคหายภัยไม่อยากตายง่ายอืคิดขึ้นมาแล้วก็กุ้มใจเพราะไม่อยากตายง่ายอยากอยู่กับลูกกับล้านกับเพื่อนกับพุงไปนานแต่นาน ไอ้ความวิทยกวิจาร์อย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะขอให้พากันเข้าใจทุกใจนั้นอนะ่ะถ้าเราละเหตุดังกล่าวมานี่เสียได้อย่างนี้มันก็ไม่ทุกใจเลย เมื่อมันนอกจากอยากให้ร่างกายสังขารอยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้โรคภัยเบียดเปียนร่างกายแล้วยอย่างนี้มันก็ยังอยากได้วัตถุภายนอกนั่นเข้าไปอีกเห็นเขามีรถจนคัน ง, งามๆขี่มันก็อยากได้เห็นเขามีบ้านเรือนใหญ่ โ, โอๆโถง มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้หน้านาประการมันก็อยากได้อยากอยู่อาศัยอือ น, นั้นเห็นเขามีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังมีคนนำหน้าเธอตามากมันก็อยากมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนกับคนอื่นเขากดดิ้นไปแต่ทางนี้ทางนั้น มันไม่ได้คำนึงถึงบุญวาสนาบา ร, รมีของตนนี่ว่าตนนั่นมีบุญวาสนามากน้อยเพียงใดแล้วก็ไม่ถือสันโดดอยู่ตามวาสนาบา ร, รมีของตนมันถึงได้เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วยังไม่แล้วก็ยังไปทําทุจริตผิดศีลผิดธรรมเพราะความอยากได้โภคสมบัติ ลาบยศสนเสริญดังกล่าวมานั่นเน่มันเกินขอบเขตบุญวาสนาบารมีของตนไปมันจึงบันดาลให้ทำบาปคนเราน่ะอ่าแต่ถ้าเป็นผู้เถอสันตียินดีตามตามีทำได้ตามบุญตามบุญวาสนาบารมีของตนที่ได้สั่งสมมาแต่ก่อนแล้วตนได้มาแสวงหา าราบยศสนเสริญความสุขในปัจจุบันนี้เต็มความสามารถแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละอย่างนี้นะแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นนะจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความอยากดังกล่าวมานั้นระงับความอยากเหล่านั้นได้ก็สบายใจแต่ฟังให้ดีธรรมะข้อนี้นะ พผู้ใดฟังไม่ละเอียดถี่ถนมาพิจารณาก็จะเข้าใจไปว่าท่านสอนให้ไม่ต้องทํางานอะไรให้อยู่เฉยเฉยไม่ต้องอยากได้อะไรอืย่างนั้นแล้วก็จะเกิดความประมาทขึ้นว่าสอนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะคนเกิดมามต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ต้องสอยแล้วจะมาสอนกันให้ ยินดีตามีทมได้เท่านี้นะสอนในคนเกียจคล้านที่แบบนี้มันเข้าใจไปได้ง่ายเหลือเกินนะทางนี้นะแต่ที่จริงเยมันฟังไม่ละเอียดถีท่วนเฉยก็ฟังให้ละเอียดแล้วเพื่อนสอนว่าเมื่อตนเสวงหาเงินทองเข้าของลาบยศอะไรให้เต็มความสามารถแล้วมันได้มาเท่านี้อย่างนี้นะ เราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นไม่ทะเยอทะายานเกินขอบเขตด้านไปถ้าเกินด้านไปแล้วมันทำชั่วคนเราเป็นปอย่างนั้นล่วงศีลล่วงธรรมไม่ว่านักบวชไม่ว่าครืหขัดเหมือนกัน ถ, ถ้าผู้ใดไม่รู้จักประมาณในบุญวาสนาบา ร, รมีของตนแล้วไปรู้อำนาจแก่สันหาความอยากแล้วก็อเอาละ เดี๋ยวก็ล่วงทาล่วงวินัยไปล่วงกฎกติกาของสงไปฮะเป็นอย่างนั้นกติกาของสงตั้งไว้ว่าผู้ใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แจกสิ่งของอันเป็นศูนย์รวมอย่างนี้นะแล้วก็ผู้นั้นย่อมมีสิทธิเต็มที่ตามพระวินัย ที่ทรงอนุญาตไว้แล้วผู้นั้นน่ะนำสิ่งของนั้นมาแจกให้ใครคนนั้นจะคัดค้านทักท้วงไม่ได้เมื่อเพื่อนแจกให้อย่างไรก็ต้องเอาอันนี้มันก็เป็นอุบายป้องกันความมาักมากเกินขอบเขตเกินวัฒนบรรมมีของตนไป กิเลสอันนี้มันก็สำคัญไม่น้อยนะเพราะนั้นพากระพี่นาให้ดีเห็นของมีมากๆแล้วก็อยากได้ของสวยงามละเอียดปานนีดบ่ะอะไรอยากได้อะไรตามใจชอบของตัวเองไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยนั่นเดียวว่าทะยอทยานเกินบุญเกินวาสนา แล้วไม่เคาต่อระเบียนี่นกิเลสตัณหามันก็ไม่น้อยเบาวางออกไปจากขิดใจแม้เป็นกระรหัดก็เหมือนกันเมื่อตนแสวงหาเข้าของเงินทองอะไรได้มาแล้วเมื่อไปเห็นของผู้อื่นราคาแพงกว่านี้แล้วก็สวยงามกว่าของตน อย่างนี้เราก็เกิดทะาเยอะทะยานอยากได้ขึ้นมาเลยอ่าบางคนก็ถึงกับมรดกที่พ่อแม่อ่ ม, มอบไว้ให้เช่นพี่นาที่ป้านปศุสัตว์ต่างๆเอาไปขายหรือไม่ใชนน่ก็เอาไปจำนองเอาเงินจากธนาคารมาซื้อ ของราคาแพงๆของดีๆที่พวกอาเซียนหลายเขาใช้กันตนก็ซื้อเอามาใช้มรดกที่มารดาวิดาแบ่งสันบันส่วนให้ในที่สุดหาเงินใช้ดอกเบี้ยเขาไม่ทันเขาก็ยึดเอาเขาก็ห้องยึดเอาผู้นั้นก็เป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้เลย ทุนจะค้าขายก็ไม่มีมรดกพ่อแม่แบ่งปันให้ก็ไปจำน่ายไปหมดแล้วอย่างนี้แล้วจะไปเอาเงินทองที่ไหนล่ะไปซื้อที่บ้านที่ช่องอยู่อาศัยได้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ได้ยังไงอะ่ะน้าก็ถูกขอยึดไปเสียอย่างนี้นะบางคนไปอย่างนั้นจริงๆอะ่ะ ที่บ้านยังเหลืออยู่เอาขายบ้านได้เงินแล้วก็เอาไปใช้จ่ายพเพื่อเฟยหน่อยหนึ่งก็ลงเป็นคนจนคนอนาถากุ้มใจหลายก็ฆ่าทัววตายอย่างนี้มีอยู่ทมไปคนในโลกนีนะ่เพราะฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคำตักเตือนนี่แล้วควรรู้ตัวไม่ควรรู้อำนาจแก่ตัญหาความอยาก ในหัวใจเกินขอบเขตถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่เชื่อถ่อคคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วแน่นอนเลยต้องลงทุกแน่นอนอันพระพุทธเจ้านั่นนะ่ะทรงพระเมตตากรุณาในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งตลอดทัดสิ่งไดฉันพระองค์ก็สงสารเหมือนกัน สัตว์ปางจำพวกมันมีนิสัยเก่กล้าขึ้นมาแล้วเช่นนี้อย่างที่ท่านกล่าวไว้ในตำรานันว่าตอนพระองค์ไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานที่ท่านฟังชื่อว่าป่าเลไลเพราะพญาช้างเผือกเลไลอาศัยอยู่ในที่นั่น กับลิงตัวหนึ่งท่านกล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ไปจำบรรษาอยู่ในป่าแห่งนั้นแล้วพะยะอาบติทาเผือกเลไลนั่นก็มาเคารพร่มน้อมต่อพระองค์แล้วก็แสดงตนเป็นโยมอุปถากหาหัวบัวมาถวายพระองค์ เพราะแต่ก่อนนี้มันมีสระบกขรณีอยู่ในป่าหิมพานน์นั้นธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีใครรบกวนดอกบัวก็ดอกใหญ่หัวบัวก็หัวใหญ่พญาช่างเผือกก็ไปคุยเอาหัวบัวนั้นล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาถวายพระศาสดา พระองค์ก็ฉันแล้วพระยาลิงก็ไปหาหลวงพึ่งมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์เห็นว่ารวงพึ่งนั่นมันมีตัวอยู่พระองค์ก็ไม่รับพญาลิงเห็นเช่นนั้นก็คิดได้ ก็จึงเอาไปจับเอาตัวพึ่งนั่นออกเสียก่อนเมื่อไม่มีตัวแล้วก็จึงเอารวงพึ่งนั่นมาถวายพระศาสดาพระองค์ก็ทรงรับไว้พระองค์ก็ฉันพญาริ่งเห็นพระองค์ฉันน้ำพึ่งเองแต่นตนก็เกิดปีติปราโมทฮะ ก็เป็นบุญบารามีของเพื่อนอา้าวจะเป็นบุญยังไงล่ะไปทำลายรังของพึ่งเสียอย่างนี้เนี่ยจิงโยมันมันก็เป็นบาปนั่นแหะไอ้ส่วนที่พญาลิงทาแต่ว่ามันก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งที่ได้ถวายพระพุทธเจ้าแต่บาปอันนั้นก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่นักเข้าใจว่า พญาริงคงไม่ได้ฆ่าแม่ของมันอ่ะอเพียงแต่ไปปลดเอารังของมันออกมาเท่านั้นแล้วก็มีตัวอ่อนอยู่ในนั้นพญาริงก็เอาออกเสียเช่นนี้แล้วตัวอ่อนมันก็คงตายแหละแต่ว่าบาปกรรมอันนี้นะ่ะ มันไม่สามารถจะกกั้นมรรคผลนิพพานต่างๆมันจะให้ผลไปช่วงระยะหนึ่งแล้วมันก็หมดไปเท่านั้นแหละในส่วนบุญกุศลที่ลิงนำมาถวายพระพุทธเจ้านั่นน่ะมากมายกายกองแต่เมื่อได้ผู้ใดได้ฟังคำนี้แล้วก็ไม่ควรจะถือเอาว่าอื้เราก็ฆ่าสัตว์มาถวายพระ เช่นนี้ก็คงได้บุญมากเหมือนกับลิงเอารวงพึ่งไปถวายพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำอาหารถวายพระอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะขอให้เข้าใจไว้อันนั้นมันสัตว์เดรัจฉานเราจะเอามาเทียบกับมนุษย์ผู้มีศีลสัตว์ไม่ได้มันคนละชั้นกันให้เข้าใจอันนั้น มันสัตย์ใ้ฉาน้วมันแต่มันมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากแต่เข้าใจว่าคงจะไม่มีแต่รังรึ่งลิงเอามาถวายพระองค์ลูกไม้ผนไม้ต่างๆที่แต่นั้นถ้าลิงกินได้แล้วอย่างนี้นะได้เอามาถวายพระสาตวาพระองค์ก็ฉันได้ ไม่มีพิษมีภัยอะไรราะอย่างนี้แหละไอ้การที่บุคคลสร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารนี่นะ่แม่ไปเกิดเป็นสัตว์สัตว์สิ่งใดได้ชานแล้วก็ระลึกชาติได้อยู่ผู้มีบุญมากขึ้นนะระลึกว่าอ๋อแต่ชาติก่อนมานี่เราได้ปานาเป็นพระพุทธเจ้า อย่างนี้รู้ได้เลยดังนั้นเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าจึงมีศรัทธาเลื่อมใสเลยซึ่งสัตว์อื่นตัวอื่นๆมันไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาแต่ก่อนมันก็ระลึกไม่ได้เลยไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยเห็นก็เห็นไปอย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะ ในผู้ที่มีโอกาสได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแรงกล้าแล้วอย่างนี้ตั้งอกตั้งใจระความชั่วทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้ว่าตนยังไม่สามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปโดย ก, การทั้งปวงได้ ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไปเมื่อไปเกิดในชาติต่อไปก็เป็นเหตุท้รึกได้้ารึกชาตินนหลังไม่ได้แต่บุญกุศลเหล่านี้มันก็โดนบันดาลให้ยินดีในการบริจาคทานมาแต่เล็กแต่น้อยเช่นเด็กๆบางคนนะ นี่พ่อแม่ไปใส่บาทอย่างนี้พ่อแม่เอาไปด้วยเห็นพ่อแม่ใส่บาตรก็ร้องให้ขอใส่ด้วย อ, อย่างนี้แหละพ่อแม่ก็ต้องอุ้มขึ้นมาเอายิบข้าวยิบอาหารใส่บาทเข้าไปแต่เด็กบางคนมันเฉยไม่สนเลย อ, อย่างนี้แหละลองสังเกตดูอุปนิสัยของคนเราเนี่นะ มันยิ่งกัวกันย้อนกัวกันดังนั้นการที่เรายินดีพอใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะได้ชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐของเราทั้งหลายแล้วขอให้พากันเชื่อมั่นลงไปในผลทานที่เราได้บริจาคมา เชื่อมั่นในผลสินที่เรารักษาเราไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้นะเชื่อมั่นในการไหวพระนั่งสมาธิภาวนานี่ว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลบุญกุศลนี่จะนำจิดปัญญาในไปเกิดในที่สุขสบายเมื่ อ, อยังละกิเลสไม่มอด จะไม่ไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากที่ท่านกล่าวว่านรกอบายภูมิอันนั้นเลยเพราะที่เกิดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็มีอยู่สองทางอย่างนี้แหละสุขติทางหนึ่งทุกขติทางหนึ่งนี่มันเมื่อผู้ใดทำไม่ดี สั่งสมบาปกรรมใสจทนมันก็ต้องบาปกรรมก็นําไปเกิดในทุกขติในที่ทุกข์ที่ยากที่ลําบากผู้ใดสั่งสมบุญกุศลไม่ทําบาปมากๆทําสั่งสมบุญกุศลให้มากๆเข้าไปบุญกุศลก็นําไปเกิดที่สุขสบายอันเรื่องนี้บุคคลย่อมมองไม่เห็นด้วยตาธรมรมดาหรอก แต่ขอให้ดูคนเกิดมาในโลกนี้เป็นสกีพยานก็แล้วกันคนบางคนก็มั่งมีสีสุขไม่ทุกร้อนอะไรจู่ๆแล้วก็ทำมาท้าขายหรือทำการงานแล้วเกิดร่ำรวยขึ้นปัจจุบันทันด่วนไปเลยก็มีอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วนั่นแสดงว่า บุญกุศลที่เขาทํามาแต่ก่อนนู้นนะมันมามันได้โอกาสแล้วมันมาอํานวยผลให้ขึ้นชื่อว่าบุญอํานวยผลแล้วได้อะไรก็ได้มาง่ายๆเจ้าของสิ่งของอันนั้นไม่ได้การกรำลําบากเสแวงหาด้วยความทุกข์ยากลาบากอะไรเลยนี่ละก็สังเกตดูก็ได้เอผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันต้องสังเกต อยู่เสมอแหละทั้งภายนอกทั้งภายในก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นได้แก่มนุษย์น่นส่วนมากนะมันก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกมชั่วที่แต่ละคนทำมาแต่ก่อนนี่นะอันบางคนเววนี่ยเนี่แสวงหาเงินทองเข้าของจนแทบล่มปดาตายก็ไม่ร่ำรวยเลย ก็ยังยากจนอยู่อย่างนั้นแหละว่าอย่างมากก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันวันไปเดือนเดือนไปเท่านั้นแหละถ้าไม่หาก็เลยจะไม่ได้กินเช่เลยพอ ม, มาหาได้มาก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไอ้ผู้มีบุญวาสนาบรารมีแก่กล้าแล้ว บุญอำนวยผลนได้แล้วก็ได้มากมากมาเลยจนเหลือใช้เหลือกิน อ, อย่างนี้เนี่เหตุนั้นเขาจึงได้สบายเขาจะ ไ, ไม่ไม่กลัม่มล้นทนแดดอะไรเลยนี่คนในรลกเกิดมานี่แล้วก็สังเกตกันดูสิมันเหลื่อมล้อมต่ำสูงกลัวกัน ก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกำชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ก่อนนั่นเองมันมาอำนวยผลให้อื น, นนะผู้ใดทันใดไม่ทำบุญบริจาคทานมาแต่ก่อนอย่างนี้นะหรือว่าให้ก็ให้แต่เล็กน้อยอมเมื่อเกิดมาชาตินี้บุญนั้นอำนวยผลให้มันก็มั่งมีแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละจะมีมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะบุญ คนหลังที่ตนทำมามันน้อยไปขึ้นชื่อว่าคนบุญน้อยแล้วนี่สติปัญญาอะไรก็น้อยไปตามกันไม่ใช่น้อยแต่ทรัพย์ภายนอกเงินทองนะทรัพย์ภายในคือสติปัญญาก็น้อยดังนั้นมันจึงแสวงหาลาบยศสันริษฐานในความสุขในโลกอันนี้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอ ผู้ที่มีบุญมากผูใ้ใดทาบุญกุศลได้ฝึกตนมาแต่ก่อนมากอย่างนี้เกิดมาชาตินี้ผลแห่งความดีเหล่านั้นมันก็มาอำนวยให้พร้อมด้วยกายสมบัติวจีสมบัติปัญญาสมบัติอย่างนั้นร่างกายก็ร่างกายสวยสดงดงาม โรคภัยก็ไม่อันายแดงก็ไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้นะถึงเรียกว่ากายสมบัติได้สัดได้ส่วนร่างกายนั่นไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่ดำไม่คล้ำเกินไปแล้วก็ไม่ขาวเกินประมาณอย่างนี้เรียกว่าร่างกายมีผิวพรรณผุดพอง อันวาจาที่พูดออกไปก็เป็นวาจาสุภาพเรียบร้อยไม่หยาบกระด้างแล้วเสียงที่เปลงออกไปก็เป็นเสียงไพเราะพ่อพิ่งเสียงสดใสไม่สาบไม่สาบสาบนั่นแหละเป็นเหตุให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบขึ้นจับอกจับใจ ในเสียงซึ่งประกอบไปด้วยธรรมะนั้นท่านเรียกว่าวาจีสมบัติปัญญาสมบัติก็เพราะบุญกุศลที่ทรมาหนหลังแต่หนนหลังนั่นน่ะมันมาตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของผู้นั้นแล้วจิตใจผู้นั้นก็เบิกบานผ่องใสไม่ค่อยมัวหมองนี่ ดังนั้นบางคนน่ะยังไม่ได้ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้อะไรมากมายเท่าไหรนะักมันก็สแสดงแววแห่งความเฉลียวฉลาดมาแต่เล็กแต่น้อยน่นอืมมันเป็นเช่นนั้นอนุภาพของบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วบุญกุศลที่ทามาแต่ก่อนมันก็เป็นทุนเป็นรอนดนจิตโนใจให้คนชอบทำบุญกุศลในปัจจุบันนี้ อลองสังเกตดูทั้งมีเงินทองมากมายกายคองด้วยแล้วก็ทั้งเสียสละเงินทองเอา น, น, นั่นออกมาให้ทําสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นอย่างนี้นะไม่ไม่เสียไดย้เงินทองที่บริจาคทานไปอย่างแต่ถ้าจะไปใจอย่างอื่นสรุสร้อยมันนึกเสียไดย้ มันไม่มีประโยชน์มากคนมีบุญไปอย่างนั้นคนไม่ทุกอำนาจแก่ตัณหาตัณหาน้อยเบาบางไปคนตัณหามากๆอยู่อย่างนี้ถ้าได้ใช้ใจ่ายไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาราประโยชน์นั้นดีอกดีใจถ้านึกว่าจะเอามาทำบุญบริจาคทานให้ให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่ผืดเครืองเต็มที นึกเสียดายขึ้นมาเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะพุทธบริษัททางหลายเมื่อได้ยินได้ฟังคำแนะนำตกักเตือนนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจไหวพระนั่งสมาธิภาวนาผู้ใดยังไม่เคยทำก็ขอให้หัดทำไป เพราะว่าการภาวนานี่มันเป็นการฝึกจิตสำรวมจิตโดยตรงเลยไม่อ้อมคอมะเอือน้อมสติระลึกเข้าไปหาจิตนู่นนูจิตก็คือความรู้สึกซึ่งอยู่ในท่ามกลางอกนี้นะเน่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้สึกอั น, นี้มันก็ไม่สูญหายไปไหน ถ้าความรู้สึกอ น, นี้มันถอนออกจากขั้วหัวใจนี่แล้วตายเลยนะคนเรานะนั่นแหละต้องสังเกตดูเมื่อเวลาคนใกล้จะตายนะมันธาตุลมมันหายไปมากไปแล้วธาตุไฟมันก็ค่อยดับไปดับไป มันก็เย็นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาขึ้นมาหาหัวเข่ามาหาขาขึ้นมาหาหน้าอกก็มายังเหลืออยู่แต่หน้าอกนี่แต่ตั้งแต่เบื้องบนก็นับตาสีษะลงมาก็เย็นลงมาแล้วก็มาหยุดลงอยู่ที่หน้าอกนี้ตอนเมื่อมัน ไออุ่นยังมีอยู่ในหน้าอกนี่จิตนี่ยังไม่ถอนออกก่อนลมหายใจก็แผ่วแผ่วเข้าไปเต็มทีแล้วเช่นนั้นนะพอไออุ่นความอบอุ่นในหน้าอกนี่ค่อยเย็นลงเย็นลงแล้ววันนี้ก็ความรู้สึกคือดวงจิตนี่ก็ถอนออกจากข้าไทยวัตถุอันนี้ เราก็เรียกว่าตายแต่ถ้าผู้ทุชนตายนี่คนธรรมดาสามัญตายนี่ไอ้จิตนี่มันจะถอนออกจากร่างนี่แล้วมันจะมีกำดีกำชั่วนำไปเป็นภาพต่างๆเป็นรูปร่างขึ้นมาเลยบุญบาปนั่นจะตกแต่งรูปร่างให้เกิดขึ้นเลย แต่ท่านผู้สิ้นอาสวะคีเดตแล้วอย่างนี้เมื่อลมหายใจหมดลงไปแล้วไออุ่นหมดลงไปแล้วชิดของท่านไม่ได้ไปไหนอะไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาไหนฮไม่มีอดีตอนาคตเลยแปว่าชิดนั้นกลายเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปนี่นะขอให้เข้าใจเอถ้าอย่างนั้นจะหาความสุขสบายที่ไหนได้เมื่อไม่มีรูปร่างอันนี้แล้วอืมบางคนอาจจะสงสัยอยู่ก็ได้ก็เพราะมันมีรูปร่างอันนี้แหละมันถึงได้เป็นทุกข์ ขอ้รู้ให้เข้าใจอย่างนั้นมั <c oughs> นเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้าหากว่ารูปกายอันนี้นะมันเที่ยงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์หละจิตที่อาศัยอยู่ในนี้นะก็ดังนั้นแหละผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงปรองจึงวางขันหานิลงนี่ไม่ยึดไม่ถือแม้แต่น้อยเดียวเลย เมื่อละอุปทานความยึดมั่นในขันห้านี่ได้แล้วมันก็มันก็ละได้หมดเลยนอกจากขันห้าออกไปมันก็ละหมดเลยไม่มียึดถือเอาอะไรทั้งนั้นเมื่อบุญกรรมยังไม่หมดยังบำรุงขันหานี่เป็นไปอยู่ก็เพียงแต่อาศัยปัจจัยภายนอก มาบำรุงหล่อเรียงขันห้านี่ไว้เท่านั้นเองพอบุญเก่าที่ทำมาได้ก่อนมันหมดลงจิตของท่านผู้ละความยึดถือในขันห้าได้เด็ดขาดลงไปด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคนั่นนะก็เข้าสู่นิพพานก็ไม่มีการไปไปเกิดที่โน้นที่นี้อะไรเลย ก็เป็นนั้นว่ายุติในการท่องเที่ยวไปหาที่เกิดแก่จิตตายใหม่ต่อไปอีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสพาสิได้ว่านิพพานังปรามังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดอสุขอื่นเสมอโดยพระนิพพานไม่มีเลยเพราะฉะนั้น คนเรานะ่ะจึงไม่ควรที่จะมาหวงังธาตุสี่ขันห้านี่ไว้ด้วยความรักความใคร่้วยความอะไรโดยความสําคิดสําคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยเมื่อไปสําคัญอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่เนี่ยดวงขีดดวงเนี้ยร่างกายมันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์อะไร เพราะมันเป็นแต่เพียงธาตุตีดินน้ำไฟลมเท่านั้นมันไม่มีความรู้สึกอะไรความรู้สึกอันมีอยู่ทั่วร่างกายนี่นะมันเป็นอาการของจิตมันแผ่ออกไปจากจิตนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณ น, นี่นะวิญญาณ น, นี่เป็นอาการของจิตมันออกไปจากจิตนี้เอง เช่นวิญญาณทางตาอวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิน้นวิญญาณที่ซ่านอยู่ทั่วสันพางร่างกายวิญญาณทางใจนั่นแหละวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งมันก็ไปออกไปจากความรู้คือดวงจิต ด, ดวงนี้เองเนี่ยอืม เมื่อร่างกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันแตกสา ม, มัคคีกันแล้วมันหมดคือบุญเก่าที่อุท ร, รมบำลุงอยู่มันค่อยหมดลงหมดลงแล้วธาตุทาั้งสี่นี่มันก็แปรปรวนไปแล้วประสานสา ม, มัคคีกันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้นะถ้าหากว่าธาตุไฟมันอ่อนลงือเนี่ย มันก็ทําให้คนเราเป็นไข้เป็นหนาวก็ไปแล้ววันนี้หนาวมากทีเดียวไฟมันอ่อนลงอืเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้เอาผ้ามาหม่มเอาน้าร้อนใส่ถุงยางมาประครบหน้า อ, อกนี่ไว้ให้มันอุ่นอยู่มันก็จึงพอไม่กระวนกระวายหลายอถ้าหากว่าธาตุลมมันอ่อนลงอย่างนี้นะ มันก็ทำให้ผู้นั้นอ่อนเพลียและเหี่ยใจไม่มีกำลังแข็งแรงเหมือนเดิมเดินไปมาทางหลายก็ชวนลม้มเดินเร็วก็ไม่ได้เบงันแต่ถ้าลมอันนี้มันวิบัติมันหมายความว่าลมนี่มันอาศัยธาตุดินธาตุน้ำอยู่เหมือนกันนะ ถาดไฟเหมือนกันเน่ถ้าความไหลเวียนของโลหิตตามเส้นประสาทนี่มันไม่สะดวกมันขัดข้องแล้วเช่นนี้ลมนี่มันก็วิบัติไปทำให้คนเราหน้ามืดตาลายอืมถ้าเป็นลมบางคนเป็นมากๆก็ลมพับลงเลยอย่างนี้แหละเมื่อหมอให้ยุกให้ยาเข้าไปอ่า บำบุงเลือดเข้าไปบ้างทําให้กระแสของโลหิตในร่างกายนี่มันเดินสะดวกตามปกติของมันลมนั่นมันก็เดินปกติไปได้แบบนี้ไม่ไม่กระแสน้่านเซนไปผิดปกติเลยอืมอย่างนี้แหละถ้าธาตุน้ํามันวิบัติลองอย่างนี้มันก็ทําให้คนเรานั้น ท้องเดินทองร่วงอย่างนี้แหละและ้วธาตุน้ำมันน้อยลงอ่นนี่มันก็ทำให้เป็นไข้อย่างว่านั่นแหละทำให้ร่างกายสูบผอมลงเหี่ยวลงผิวพรรณก็สูบซีดพอธาตุน้ำ ม, มาหมายเอ า, าโลหิตำํำโลหิแตแดงโลหิตขาว อันมันวิ่งซ่านอยู่ตามร่างกายเนี่ยทำให้น่างกายมีผิวพันเขาเรียกว่าสีเนื้อนั่นเองจะเหลืองจริงๆก็ไม่ใช่จะแดงจริงๆก็ไม่ใช่อย่างนี้นะเรียกว่าแดงพอนวลๆพอนิ่มๆ น, นนะั่นนี่เรียกว่าธาตุน้ำมันปกติมันไม่วิวตด คนเราจึงไม่สูส้ซีดจึงไม่อ่อนเพลียเหียใจยอท้องก็ไม่ร่วงรับประทานอาหารอันใดลงไปไอ้ธาตุน้ําเนี่ยที่น้ําดีมันสําหรับย่อยอาหารนะมันมันก็เป็นปกติอยู่มันก็ช่วยย่อยอาหารไฟธาตุไฟมันก็ปกติมันก็ช่วยย่อยอาหารเข้าไป อย่างนี้คนเราท้องจึงไม่ล้วงรับประทานอาหารลงไปแล้วมันก็ค้างอยู่ในกระเพาะแล้วไฟธาตุน้ำย่อยอาหารมันก็ย่อยไปย่อยไปมันก็ย่อยส่วนได้มันย่อยลงไปมันก็ไหลลงไปสู่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งสำหรับที่จะได้ถ่ายเทออกไป ส่วนที่ยังย่อยไม่หมดมันก็ค้างอยู่กับเพาะแรกนี่ไปเมื่อมันย่อยหมดแล้วเช่นนี้นะมันก็มีลมอีกชนิดหนึ่งมาพัดเอาให้เกิดปวดท้องขึ้นมาแล้วก็ไปถ่ายเทออกไปนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ธาตุทั้งสี่นี่นะ เมื่อธาตุดินวิบัติลงไปอย่างนี้มันก็เกิดตุ่มเป็นผื่นคันทั่วตัวหรือธาตุดินวิบัติลงอย่างนี้มันก็ทําให้อะไรต่ออะไรในร่างกายนี้ไม่แข็งแรงเลยอื่อนแอลงไปอันหมูนี้เราได้ชื่อว่าธาตุทั้งสี่มันไม่ปองดองสามะคีกันมันวิบัตรแริแปรปรวนไป ร่างกายนี่จึงได้สุดโสมลงเราผู้ภาวนานี่ยต้องกาหนดพิจารณาแยกเนี้ ย, รร โ, ด ย, ยโดาทธาตุท้งสี่ขันธ์ทางห้านี่ให้มันแขมแจ้งให้มันละเอียดแักออกเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นว่าร่างกายไม่มีไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยมีแต่วิบัตแิแปรปวนไปอยู่อย่างนั้น แต่ที่มันยังไม่แตกไม่ดับก็เพราะบุญเก่ายังรักษาไว้อยู่บุญที่ทํามาแต่ก่อนนู้นน่ะมันมารักษามันทําให้ธาตุดินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลมนีป่ปรองรองสามัคคีกันอยู่ต่างก็ทําหน้าที่ของตนตามปกติพอบุญเก่านั่นมันรลอยหลอลงไปแล้วธาตุทั้งสี่นี่มันก็ ค่อยแปรปวนไปแล้วไม่สามาคัคคีกันแล้วนี่ต้องพิจารณาดูให้เห็นด้วยปัญญาแล้ววธ า, าตุสี่ขันหานี่นะมันเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละคือบุญกับบาบนั่นแหละแล้วมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะบุญบาบนั่นนะอุปธรรมบำรงไว้ถ้าบาปอุปถรมมาอุปธรรมบำรงมาก็สำรุดทุดทอมอ่า พรกทนทุกทรมานจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายนี่ถ้าบุญกุศลอุปธรรมบำรงมันก็ทำให้ธาตุทั้งสี่อันนี้ปองดองสามัคคีทำหน้าที่โดยปกติไปเรื่อยๆพอบุญกุศลหรือบาปอันนี้มันล่อยหลอลงแล้วรูปนี่มันก็ํำรุดทุดทรมลงเพราะเหตุปัจจัยเหล่านะั้นมันหมดลงแล้วมันก็แตกกระจายกันออกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ จิตผู้รู้แจ้งผู้พิจารณาเห็นชาติตามเป็นจริงแล้วท่านจึงจได้ปล่อยวางไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยเมื่อปล่อยวางเสียแล้วแม้ธาตุสี่ก้านนี่มันจะแปลปรนไปไยังไงจิตมันก็ไม่แปลไปตามมันก็ตั้งมั่นแล้วรู้แจ้งตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นหมดความอยากความปรารถนาจะให้ร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลย เพราะฉะนั้นเมื่อมดความอยากในจิตใจแล้วก็หมดทุกทางจิตใจดังแสดงมา